นี่ก็อยู่ในทธกานิกายเทระคาถานั่งทศไทยพิดกชุดเทระคาถานี่ก็เป็นคำอุทานของพระเถระพระอรหรันติสาวกสาวกสำคัญสาคัญนะั้นได้ท่านได้ เ, เปร่งวาจาเป็นคาถาออกมาที่น่าฟังมากนะครับ สูตรนี้ก็เป็นชื่อว่านาคสมาระเทระคาถาที่บวชจากศักยะราชจสกุลนะครับแล้วก็ อ, ออกบวชตามราชสกุลเหมือนกั น, นชื่อนาคสมาระเทระทันทีอย่างนี้นะครับตอนที่ท่านจะบรรลุมรค น, นี่ท่านบรรลุยังไงมีอะไรทำให้ท่านบรรลุ นี่น่าสนใจว่าด้วยคาถาของพระนาคนาคสมาระเทระเราเดินเข้าไปบินทบาทในพระนครสาวัตถีนะครับได้เห็นหญิงฟ้อนรำคนหนึ่งตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องอาพร น, นุ่งห่มผ้าสวยงามทัดทรงดอกไม้ รูปไลยด้วยกระแจะจันทร์ฟ้อนรำอยู่ในวงดนตรีที่ถนนหลวงท่ามกลางพนะนครเป็นดุจจบวงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว้เพราะฉะนั้นการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายจึงบังเกิดขึ้นแก่เราอาธินวะโทษปรากฏแก่เราความเบื่อหน่าย ก็ตั้งลงมั่นลำดับนั้นจิตของเราก็หลุดพ้นจากสัสพพกิเลสขอท่านจงดูความที่แห่งธรรมเป็นธรรมอันดีเลิศเราได้บรรลุวิชาสามแล้วได้ทากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วบรรลุแล้วนะครับเรียกว่าเห็นนางนางรัมอะนะได้ดีอะ นะครับบรรลุมขลนเห็นนางราำนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมสนใจนี่นะครับสนใจตรงที่ว่าท่านเห็นเป็นดุจจม่วงดุจจบ่วงมัจุราชอันธรรมชาติมาดักไวนี่ท่านพูดได้ไพเราะมากเนาะมัจุเถอยะเนาะเป็นบ่วงของพญามารมาดักท่านไว้นะครับ เ, เพราะฉะนั้นการกระทําไว้ในใจ โดยอุบายอันแยบขายนี่ผมสนใจตรงนี้ท่านก็ทำไว้โดยอุบายอันแยบขายเนี่ยนี่หมายความ่าโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะท่านโยนิโสมนัสิการอย่างไรจึงได้บรรลุมรคผลนเะนียเดี๋ยวในปรมัทิปณีอัตถกาถาคุถกกนิกายเทรคาถาอธิบาย คาถาที่ท่านพระนาคสมาระได้กล่าวคำว่าขัดฉันโตนังอุทิ ข, ขิสังความว่าเมื่อเดินไปบนถนนในพระนครตรวจดูถนนเพื่อกำจัดอันตราย น, นะการดูแบบนี้เป็นศาธกาะสัมปชัญญะนะเอาสัมปชัญญะบาภาพะมาสงเคราะห์เลย วันในขณะที่ท่านจะเดินไปแป๊บท่านแลดูก่อนว่ามีอันตรายไหมได้แลดูหญิงฟ้อนนั้นนะเหลือบตาก็ไปเห็นนางรําพอดีเลยไม่ทราบว่ามีงานอะไรไม่รู้ราข้างถนนเลยแสดงว่ามีมหรสถขึ้นถามว่าเหมือนอะไรท่านเห็นแล้วท่านคิดยังไงว่างั้นแก้ว่าเหมือนบ่วงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไวอันไนะคือเคย เคยเห็นบ่วงดักนกไหมของสมัยเด็กๆเนี่ยเรามาทำบ่วงดักนกคุ้มอ่ะบ่วงถสมมติถ้ามันวิ่งมานะมันจะเข้าบ่วงปุ๊บติดบ่วงเราเลยนะถ้าหากว่าพวกนกพวกปลามันก็จะมีบ่วงที่ทำขึ้นเพื่อดักสัตว์แต่ว่ารูปารมสีสันที่ ง, งามๆมันเป็นบ่วงดักดักอะไรดักใจนะสภาพจิตพอเห็นปั๊บ ติดข้องทันทีเลยเคยเห็นนะเห็นแล้ววูบเลยอ่ะคล้ายแบบนั้นอนะ่ะมันดักไว้แบบนั้นอนะ่ะลุงสายท่านจะเคยมั้งเขาเล่าให้ฟัง อ, อธิบายว่าอารมณ์มีรูปเป็นต้นอันเป็นบ่วงแห่งมัจจุคือแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติดักไว้คือเที่ยวาสาัรจร อ, อยู่ในโลกย่อมนำมาซึ่งความพินาษโดยส่วนเดียวฉันใด หญิงนักฟอนแม้ก็ฉั น, นั้นย่อมนำมาซึ่งความพินาศโดยส่วนเดียวแก่ปุตุชนคนบอดเพราะฉะนั้นท่านเจียงกล่าวว่าเป็นเสมือนบ่วงแห่งมัจจุราชเพราะว่าศาสตร์ทั้งหลายก็ไปติดข้องติดข้องจนลืมบุญลืมบาตติดข้องจนเห็นว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเข้าไปก็ไปติดผูกพันบางท่านจะถึงกับรำพันหาเลยนี่แหละก็คือถามว่า ปกติเนี่ยเราเห็นแต่คนติดบ่วงไอ้คนหลุดบ่วงนี่มันเป็นยังไงเราไม่ค่อยได้เห็นถามว่าคนติดบ่วงเนี่ยมัจจุราชเป็นยังไงก่อนที่เราเห็นทั้งหมดแหละแต่ว่าคนไม่ติดบ่วงนี่เราเห็นไหมเคยเห็นพารยาไม่เกิดม า, าตัมมาก็ไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเราจะไม่รู้เลยว่าคนที่ไม่ติดบ่วงเขาเป็นอย่างไรเพราะปกติเราอยู่ในบ่วง บทว่าตะโตแปลว่าเพราะเหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ห้องอยู่เสมือนบ่วงแห่งมัจจุราชบทว่ามณสีกาโรโยนิโสอุทะปัชชะความว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่านนคนที่เขาคิดเป็นเนี่ยเมื่อกี้นี้ชั้นแรกเป็นศาธกราสัมปชัญญะเกิดขึ้นมาปั๊บเห็นสามารถคานึงถึง ในขณะที่เหลียวเลียวไปเนี่ยสามารถรู้ว่าอะไรเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เสร็จแล้วโคเจระสัมนปะัญญาท่านเกิดต่อไปเลยว่าภาพอันนี้เนี่ยถ้าโทษมันเกิดมันจะเกิดยังไงใช่ไหมก็คํานึงถึงโทษของของภาพที่เห็นทันทีเสร็จแล้วท่านก็เกิดโยนิโสพิจารณาเป็นร่างกระดูกนี้อันเกี่ยวพันไว้อันเนื้อฉาบทาไว้ อันผิวหนังปิดบังไว้ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นหน้าเกลียดและปฏิกูลมีอันปิดบงังย่ยํายีทําลายกําจัดความไม่เที่ยงยกําจัด ย, ย่ํายีทําลายกําจัดมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาจึงแสดงอาการอันแปลกเช่นนี้ฉนันข้อความตอนต้นนี้ท่านได้อธิบายว่าคือพอท่านเห็นปุ๊บท่านเกิดโยนิสมณสิการ ท่านเล่าว่าขณะที่ดนตรีกําลังประโคมอยู่ถนนหนทางใหญ่นั่นน่ะเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไปว่าวายโยธาอันกระทําให้วิจิตนี้ใช่ไหมการฟ้อนรําขับร้องสีที่ฟ้อนรํานั้นเป็นจิตตชรูปจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการอ่านะขยับเยื้อเคลื่อนไหวมีไหมในคำภีรจิตตชรูปเกี่ยวกับการฟ้อนรํา จริงมันก็จะใช้สำนวนอย่างนั้นก็ได้จิตที่ทำให้เกิดการฟ้อนรำเนี่ยมีกี่ดวงรำด้วยโทสะเอาไหมส่วนใหญ่เป็นโลภะแล้วก็เป็นโลภะเกี่ยวกับยาณวิปปยุทธเพราะฟังเสียงเพลงบันเทิงร่าเริงกันไปทีนี้โลภะจิตเกิดขึ้นอาศัยอะไรเป็นอารมณปจัจจัยอาศัยดนตรีเนาะเป็นอารมณปัจจัยของเสียงนั้น เสร็จแล้วอุปนิสัยที่สะสมมาในการฟ้อนรำปั๊บก็ขยั บ, ขยบเขยื่อนเคลื่อนไหวกรีดกลายไปตามจังหวะของเสียงเพลงใช่มัมย่อมมอีจิตชาวายโยธาอันกระทาให้วิจิตย่อมเปลี่ยนแปลกรัชกายไปโดยประการนั้นๆเวลาดูมิวสิกคิดอย่างนี้ว่ะโอ้โหจิตตรูปนั้นน่ะจิตชนิดไหนที่ทำให้การขยับเยอนเคลื่อนไหวคิดอย่างนี้ ถ้าใครเคยก็อนุโมทนาด้วยนะเพรา ะ, ะนั้นการแผ่ไปของวายโจิตชะวายโยธาต์ก็ทำให้เกิดการร่ายรำไปตามนั้นตามจังหวะของอาศัยอรรารมณปัจจัยคือเสียงใช่ไหมโลภะเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยตั้งมากมายแต่ว่ายกมาแค่สองอยา่างน่าอาัศจรรย์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านก็ปารบว่าถ้าหากว่าจิต ที่ทําให้เกิดการร่ายรํานี้คือโลภะอาศัยเสียงเป็นอารมณะปัจจัยถ้าเสียงไม่มีรําต่อได้ไหมโอ้โหเพลงเพลงติดแล้วาคนก็ยังคยักขยั ก, ข ย, ก, ข, ยกขยักอยู่นั้นอะ่ะมันไม่เข้าเลยนะเพราะนั้นถ้าขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นการร่ายรํานั้นก็หมดไปแล้วก็การร่ายรำมานั้นด้วยจิตที่เป็นโลภะจิตมีโทษไหมมีโทษแม้แต่จิตต่ชั่วที่เกิดการร่ายรําเนี่ยมันก็เหมือนกับ หุ่นยนต์ที่ชักเท่านั้นเองก็อาศัยโครงกระดูกกันนะเหมือนกับคือคนที่เจริญวิปัสสนานะบางทีนะสายตาของท่านท่านมองเหมือนกับเป็นภาพเอ็กซเรย์เลยนะบางท่านที่สะสมมาจะเป็นลักษณะนั้นเลยแสดงว่าพระ <c oughs> นาคาสมาระเนี่ยท่านมีท่านมีนมรูปเป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง และมีจิตของจิตภายนอกเป็นอารมณ์อีกเยอะเป็นอารมณ์ อ, อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งและขณะเดียวกันท่านก็มีาวาโยธาดข้างนอกเป็นอารมณ์ด้วยนะครับเจนพานั้นขันห้าก็สมบูรณ์แบบตรงนั้นแหละแต่ในขณะเดียวกันนี้อย่าคิดว่าไม่มีไม่พิจารณาภายในนะท่านก็พิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกนั่นแหละก็เรียกว่าท่านพิจารณาจนชานาญเจนพาน คือเรอย่างหนึ่งท่านพนาคาสมาลนี้บวชในสมาคมแห่งพญาติเพราะฉะนั้นนี่ก่อนที่จะบวชนี้ได้ฟังธรรมมามากแล้วบทว่าอาทีนโวปาตุระหุความว่าเมื่อว่าโดยหัวข้อคือการเข้าไปทรงไว้ตามสภาวะของกายอย่างนี้กายนี้เนี่ยสภาวะที่เขาทรงไว้เป็นยังไงเป็นร่างกระดูกอันเอ็นเกี่ยวพันไวอันเนื้อฉาบทาอันมีผิวหนังปิดบังไว ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นหน้าเกลียดปฏิกูลมีอันปิดบังย่ำยีทาลายและกำจัดใช่ไหมก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยคือสภาวะของกายเนี่ยเป็นอย่างนี้แสดงว่าสมถะต้องควบคู่ไปกับมิปัฏนานี่แสดงว่าอัจุภิยะกรรมฐานกายคตาสติเจนพรากายคตาสติเจนรานเมื่อเรามานสิการถือความเกิดขึ้นและเสื่อมไป พอใช้ไปปุ๊บเนี่ยเลยไปหาอุทยพยานเลยนะไม่รีรอเลยเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นอุทยพยานปัจจัยที่ทําให้รูปประคันเกิดมีกี่อย่าง5อย่าง5อย่างคือ1อวิชาเกิดรูปจึงเกิด 2. ตันหาเกิดรูปจึงเกิด3กรรมเกิดรูปจึงเกิด 4. อาหารนะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและก็ตัวเกิดของรูปประคันหรือนิพัติลักษณะของรูปประคันนั่นแหละ เวทนาสัญญาสังขารก็เหมือนกันเพราะอวิชชาเกิดเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดแล้วก็พัสดะเกิดเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดถ้าวิญญาณเน่ยเห็นให้วิญญาณเกิดอวิชชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิดนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิด และก็ตัวความเกิดขึ้นของวิญญาณขันละห้าห้คูณหเท่ากับยี่สิบห้าขันห้าจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาการยี่สิบห้าเหล่านี้แต่ ถ, ถ้าหากว่าอาการยี่ิบหที่เป็นปัจจัยหมดไปตัวขันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาปัญญาท่านยังถึงความเกิดและความเสื่อมของขันห้าอวิชชาตันหากรรมเป็นสมุทัยสัพต์ไอตัวขันห้าเป็นตัว ทุกขศัพ์ใช่ไหมเห็นว่าไอ้รูปประหารที่มันเกิดขึ้นเพราะสมุทัยศัพท์นะถ้าไม่มีสมุทัยศัพท์อุปาทานขันห้าเหล่านั้นจะเกิดได้ไหมเหล่านั้นนะเหล่านี้ด้วยภายในด้วยภายนอกด้วยอย่าไปคิดแต่ภายนอกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เห็นความเกิดและความเสื่อมและความผุพังไปพร้อมกิจตามความเป็นจริงเสร็จแล้วก็ไม่ใส่ใจในความเกิดก็ใส่ใจแต่ความเสื่อมอย่างเดียว เห็นแต่ความเสื่อมเห็นแต่พังตายเป็นพังขยานพังขยานก็เกิดขึ้นใส่ใจแต่ความเสื่อมโอ้วิปัสสนาของท่านเนี่ยพรวดพลาดไม่ได้ชักช้าต้องอธิบายมากเหมือนเราเลยเนะคนชำนาญอะคล่องเลยอะวันก่อนเห็นโยมเขาปั่นจักรยานโดยที่ไม่ต้องจับแพร์เลยอะอเขาชำนาญน ะ, นะของเราเนี่ยจับจนถลอก บ, บอกเปิดก็ยังไม่ค่อยจะเป็นเลยบางทีเป็นอย่างนั้นนะความชำนาญ น, นี่จะทําให้มีความแตกต่างกัน ผู้ที่เขาอบรมเพ่งอย่าลืมนะผู้ศาสนาพระองค์สอนเรื่องเพ่งเป็นลักคณูปนิสชาญกับอารัมมณูปนิสชาญพิสูจในศาสนานี้เป็นนักเพ่งเพ่งฌานเอาฝ่ายดีนะไอฝ่ายไม่ดีไม่เอาเพราะฉะนั้นท่านเห็นพร้อมตามกิจตามความเป็นจริงแห่งกายนั้นและแห่งจิตและเจตสิกอันอาศัยกายนั้น สูนี้ท่านไม่ใช้ขันแต่ท่านใช้คําว่าจิตและเจตสิกที่อาศัยกายเกิดถ้าหากว่ากายยะวิญญาณเป็นที่อาศัยเกิดของจิตกี่ดวงสองดวงเหรอทุขะ ก, กับสุขากายยะวิญญาณก็เกิดขึ้นเนี่เฉพาะถ้าตัวกายนะถ้าหะไทยเป็นที่อาศัยเกิดของจิตกี่ดวงถ้านางรําที่รําเนี่ยนางรําจะมีจิตได้กี่ดวงโลภะได้ไหมได้โทสะ ได้โมหะได้มหากุศลได้ไหมไอาจจะได้แต่ว่าขณะนั้นอาจจำไม่มีก็ได้เสร็จแล้วมหากิริยาได้ไหมไม่ได้เพราะติดอื่นๆเนี่ยตัดออกไปมันก็เหลือจิตไม่กี่ดวงที่ทําให้เกิดการร่ายรับตัวกายนั้นก็หาสภาพที่จีรังไม่ได้ตัวจิตเจตสิกที่อาศัยกายจิตเจตสิกก็ต้องอาศัยปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นใช่ไหมเฉ่นั้นอาศัยวัตถุ ก, กับอารมณ์และสัมปยุจัธรรม จิตเจตสิกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามเมื่อประชุมพร้อมด้วยปัจจัยสิ่งนั้นมีแล้วก็ก็ไม่มีอ่ะเนาะท่านก็ถือเอาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปและเมื่อจิตและเจตสิกปรากฏโดยความเป็นภยัยทีนี้แม้แต่จิตอันนั้นก็ยังมีภยัยจิตภายในก็มีภยัยไอ้ตัวที่ไปคิดก็ภัยด้วยอ่ะไอ้สิ่งที่ถูกคิดก็ภยัยเห็นจิตเป็นภยัยแม้แต่ปัญญาที่ไปพิจารณาก็ ก็ภัยเพราะไม่เที่ยงเหมือนกันเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเมื่อยักษ์และรากสดเป็นต้นปรากฏเขาบอกว่าเห็นความนึกคิดหรือเห็นขันห้าหรือว่ารูปนามในขณะนั้นเนี่ยเหมือนยักษ์อ่ะนะเคยเห็นจิตเห็นเหมือนยักษ์ไหมจิตเห็นของเราอะ่ะอจิตได้ยินเสียงนี่โอ้เนี่ยพยามานมาแล้วขันน้มานไง ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นรับรสอร่อยหนี่มานนี่รากสดนี่ยักษ์แสดงว่ายัางห่างไม่เป็นไรฟังอาบุญไปก่อนอั้นถ้าหากว่าเป็นของคนมีบุญเขาจะเป็นอย่างนั้นเขามีปัญญามองเห็นว่าจิตเจตสิกเหล่านั้นหรือรู ป, ปกายเนี่ยมองเห็นขันห้าเนี่ยกระพริบตาครั้งหนึ่งนะเหมือนกับปีศาจตากฏเหมือนกับยักษ์ตากรดอันนี้นี่เป็นเรื่องของ อาทีนวะยานก็ว่าอาทีนวโทษมีอาการเป็นอันมากปรากฏแก่เราเพราะเหตุนั้นคื อ, อยังถึงเบื้องต้นตั้งกับเบื้องต้นมาปั๊บเห็นโทษเลยเพราะเหตุนั้นเราย่อมได้รับอานิสง์ในพระนิพพานโดยเป็นปฏิปักษ์ต่ออาทีนวโทษนั้นพอท่านเห็นโทษมากขึ้นกระกยานในอาทีนวะยานเป็นฉไหนสังขารเหล่านี้การเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายเหล่านี้เป็น โทษแต่นิพพานไม่มีโทษพอท่านคํานึงโดยใส่ใจเป็นโทษปุ๊บจะเริ่มหาหาทางออกละเพราะฉนอาท์ตีนวายานเนี่ยมันพิจารณาสองทางนะไม่ได้เห็นโทษอย่างเดียวแต่เหมือนกับคนเห็นเห็นโทษด้วยหาทางออกด้วยเห็นโทษด้วยหาทางออกด้วยจะพิจารณาในลักษณะนี้แหละจิตท่านก็เริ่มน้อมไปนิพพานละก็เหมือนกับคนเห็นไฟไฟไหม้เนี่ยลุกมาเต็มที่เลยป๊บมันก็มองเลยทางออกละ บอกว่านิพิทาสมติตะถะความว่าความเบื่อหน่ายย่อมสําเร็จด้วยอนุภาพแห่งอาทีนวานุปัสนาการตามพิจารณาเห็นโทษคือนิพิทายานย่อมสําเร็จแล้วในฮัทไทยของเราเห็นโทษปับ๊บนิพิทาก็เกิดขึ้นในจิตของท่านจิตในการจับรูปประธรรมและนามธรรมเหล่านั้นแม้เพียงครู่เดียวก็ไม่ปรากฏที่จะไปโอ้โหยินดีในนั้นอะ่ะไม่มีเลย โดยที่แท้เกิดเพียงแต่วางเฉยในรูปประธรรมนามธรรมนั้นเท่านั้นเป็นเป็นอะไรสังขารูปเปรีญขายานแล้วก็ต่อไปก็ด้วยอํานาจความเป็นผู้ใคร่จะพ้นเป็นต้นสังขารูปเปรียญายานมุลจิตุกรรมมยตายานต่างกันโดยโดยพ ย, ยัญชนะอัฏฐาก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านก็เกิดการวางเฉยแล้วก็ใคร่จะพ้นด้วย บทว่าตะโตเบื้องหน้าแต่วิปัสนาญาณบทว่าจิตตังวิมุตจิเมความว่าจิตของเราได้หลุดพ้นแล้วจากสัพพากิเลสโดยลำดับแห่งมัดเรียบร้อยไปแล้วในเมื่อโลกุตระภาวนาเป็นไปอยู่ด้วยเหตุนั้นท่านจึงแสดงเหตุเกิดขึ้นแห่งผลจึงอยู่ในขณะแห่งมัคิตกิเลสทั้งหลายชื่อว่าย่อมหลุดพ้นในขณะแห่งผ ล, ลจิตกิเลสเชื่อว่าหลุดพ้นแล้วชนี้แล นี่ก็เป็นคาถาของท่านท่านาคาสมาละพอมองเห็นข้อปฏิบัติไหมว่าเห็นนางรําเขาเป็นพระอารหันต์ได้เห็นนางรําเราก็ โ, โหติดใจเลยนะจะช่วยรําด้วยฟอ้อนด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วเออนี่นี่ถ้าเรามองออให้ดีเราจะเห็นว่านี่เป็นการเจริญวิปัสสนาครับการเจริญวิปัสสนานั้นก็ก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนะครับเราจะเห็นการทํางานของ มรรคสององค์ที่มีความสัมพันธ์กันแล้วมีบทบาทสูงมากได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญานะครับที่ไปพิจารณาเห็นความจริงแล้วอีกตัวหนึ่งได้แก่สัมมาสังกัปปะเป็นตัวที่ตรึกท่านเปรียบว่าสัมมาสังกัปปะเปรียบเหมือนมือที่ยกสิ่งของอะไรขึ้นมาดูอะไรดูสักอย่างพลิกไปพลิกมาให้ปัญญาดูแง่ แงานั่นแง่นี้เมือนเปรียบเลยเนี่ยในพระสูตนี้เนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นเนี้ยเป็นพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะดูทุกแง่ทุกมุมนะแล้วปัญญาก็เข้าไปรู้รู้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะนี่นะครับเป็นการตรึกนะฮะเพราะฉะนั้นการเจริญปัสนาไม่ตรึกได้ไหมแต่เป็นการตรึกอะไร เป็นการตึกถึงเหตุถึงผลเป็นการตึกของสภาวธรรมไม่ใช่เป็นการตึกของเรื่องสมมตุติเป็นการตึกเรื่องของจริงทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้น <c oughs> สัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิจึงเป็นบทบาทที่มีความสําคัญมากนะะเดี๋ยวฟังข้อความในสังยุตานิกายมหาวาระวัชนะวิตตั ก, กสูตรอ่าสูตรว่าด้วยการคิด วิตักแปลว่าวิตกวิตกแปลไทยไทยส่วนใหญ่แปลว่าคิดหรือตรึกนั่นเองแปลว่าตรึกเนี่ยเรามามาฟังว่าตามเขานะให้แปลเองไอ้ตรึกแปลว่าอะไรเอกมันต้องแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะภาษาไทยเรามีไม่กี่ศัพท์หรอกก็คือคิดนั่นแหละดูก่อนพี่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าตรึกถึงอกุศลวิตกอัลาโมกนะคืออย่าตรึกด้วยอํานาจอากุศลอลาโมกนั่นแหละคือ กามวิตกตรึกถึงโรคเสียงเปลี่นรสและโพธพภะพยาบาทวิตกก็ตรึกถึงสังขารทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอํานาจของโธสะวิหิงสาวิตกก็โธสะเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะวิตกเหล่านี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่พรหมจันทร์เบื้องต้นก็คือไม่ใช่เบื้องต้นของพรหมจันทร์อ่ะนะถ้าไปขี้ไปตรึกแบบนั้น ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะตรึกพึงตรึกอย่างนี้ว่าอันนั้นไหนๆก็คิดแล้วอ่ะพระองษ์ไม่ได้ห้ามคิดนะแต่ให้เปลี่ยนความคิดให้คิดอย่างนี้ว่า น, นี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พ่อนั้นพ่อเห่ไรเพราะความตรึกเหล่านี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจาร์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธขามินีปฏิปทา นี่ก็วิตกตกระสูที่7อีกสูตรหนึ่งนะจินตสูตรว่าด้วยการคิดในอริยสัจสี 4, ด้วยก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าคิดถึงอกุศลจิตอัลลามกว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกในที่นี้หมายถึงอัต a านั่นเองด้วยอำนาจทิฏฐินะอย่าไปคิดอย่างนั้นชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่วยอมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่วยอมไม่เป็นอีก สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้สรุปอันนี้ก็คือพวกมิจฉาทิฐินะยังไม่อธิบายตรงนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกําหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้และก็นิพพาน เมื่อเธอทั้งหลายจกคิดพึงคิดว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจา ร, ร์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนับความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาขา ม, มินีปฏิปทาเ น, นี่ยเอาไม่ตรึกกระคิดเอากันแล้วกันก็ไม่อยากให้จบเรื่องนี้ไปง่ายๆนะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเมื่อกี้นี้นะครับพระนาคสมาระเนี่ยนะครับท่านตัดสั่งรู้อะไรครับ ว่าปกติท่านตัดสรุนเนี่ยต้องตัดสรุนอริยสัตว์สีนะครับเจนพานถูกไหมฮะเจนพานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พิจารณาอย่างนั้นเห็นนางรําเนี่ยแล้วเกิดบรรลุมรผลแสดงว่าต้องตัดสรุนอริยสัตว์รีตัดสรุยังไงครับนั่นแหละก็จิตที่ทําให้วายโยธาตเกิดขึ้นจิตที่ทําให้วายโยธาตจิตเกิดขึ้นนั้นจิตนั้นก็เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมจิตชาวายโยธาตที่ทําให้เกิดการร่ายรําก็เป็น ทุกษัตริย์ถามว่ากายอันนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีกายนั้นเนี่ยนะครัมีตัณหาอวิชชาอุปาทานเป็นเหมือนพ่อที่ทําให้เกิดเป็นเหมือนเออขออภยัยเป็นเหมือนแม่ที่ทําให้เกิดกรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อที่ทําให้กายนั้นเกิดขึ้นแล้วจิตชาติวิบากจิตอ่ะก็เหมือนกันมีอวิชชาตัณหากรรมมีอุปาทานนะ สอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นสักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์งั้นปัญญาที่ยังถึงทุกข์กับทุกขสมุทัยเพราะในช่วงเกิดดับนะในช่วงอุทยพยัญานตรงนั้นเนี่ยรู้อริยสัจแลแต่เป็นโลกียอริยสัจเช่นว่าไอไอครนหที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งอวิชชา ตันหาและกรรมตันหาตัวนั้นเนี่ยเธอว่าเป็นปะกะตูปะนิสยปัจจัยแต่กรรมเป็นนานาขาคณิ ก, ก่กรรมะปัจจัยให้ให้กายเกิดอย่าลืมนะแม้แต่โลพาจิตนะถ้าไม่อาศัยกรรมะเชรูปเกิดได้ไหมโลพาจิตเกิดโดยที่ไม่อาศัยกรรมชรูปได้ไหมหาไทยนี้เป็นกรรมะชรูปหาไทยโดยที่ไม่มีรูปอื่นๆเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงได้ไหม ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะยังถึงว่าตัณหากรรมเป็นต้นเนี่ยเป็นฝักฝ่ายที่ทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นพอรูปนี้เกิดขึ้นกิเลสตัณหาที่อาศัยรูปนั้นก็ยังเป็นฝักฝ่ายแห่งทุกขสัตว์ด้วยแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นในขณะร่ายรำก็เป็นสมุทยัทยสัตว์เพื่อการปฏิสนธิต่อไปของเราถ้าเห็นปุ๊บเราไม่มีการพิจารณาไอความยินดีอ น, นั้นเป็น สมุทัยศาตร์เห็นปั๊บชอบปุ๊บพบใหม่เกิดแล้วไ ม, ไม่ต้องห่วงว่าจะนิพพานไม่ต้องกลัวว่าจะได้นิพพานง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยเพราะยังไงก็ถ้ายินดีโลภะเกิดปุ๊บไม่ได้นิพพานแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดยังยินดีในทุกผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกขผังก็ต้องพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยเห็นปัจปจยยุบันคือวิบากกรรมมชรูป แม้แต่จิตตชาวายโยเนี่ยเป็นจิตตชาโรบจิตตชรโรตรงนั้นไม่มีกรรมชรุปได้ไหมไม่ได้กรรมมชรโรก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเห็นทั้งปัจจัยแล้วก็เห็นสังขารเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อสังขารตัวนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็จริงอยู่นะแต่ถ้ามีกิเลสอี ก, กันเกิดอีกนะเหมือนกับไข้อ่ะถ้าสมุทฐานของโรคมันยังไม่หาย ไข้นั้นมันไม่ได้มีอยู่ตลอดหรอกมันก็เกิดแต่ว่าสมุทฐานมันยังมีอยู่มันก็สามารถที่จะเกิดไปเรื่อยๆภพชาติก็เหมือนกันถ้ายังมีตันหาอยู่อย่างไรก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นก็สามารถอย่างถึงถ้าไอ้ตันหาตัวนี้ไม่มีการเกิดจะมีได้ไหม <c oughs> ตัวที่ไปวิจัยอย่างนี้เป็น <c oughs> สัมมาทิฏฐิแต่เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเริ่มวิจัยเรื่องเหตุเรื่องผลเมื่อกี้บอกว่าวิตกเนี่ยเป็นเหมือนกับมือที่พลิก พลิกไปพลิกมาไม่พลิกแค่เดียวเนะะจะเป็นพวกช่างด้วยขันน็อท ด, ด้วยถอดอะไรออกมาดูมดนั่นแหละ